อ น, นิจจวัฏหมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับในเขตกรุงสาวัตถีที่นั้นทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาในสังขารในวิญญาณ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 อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดดังนั้นย่อมเบื่อหน่ายคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้น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 แม้เหตุใจที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจะเที่ยงเล่าและโดยนัยเดียวกันกับเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้เหตุปัจจัยที่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจะเที่ยงเล่า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 เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแม่เหตุปัจจัยที่ให้ขันห้าเกิดขึ้นก็เป็นทุกขันห้าแต่ละประการนั้นเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจะมีสุขเล่าอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดดังนั้นย่อมเบือ่อนายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น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 ที่ให้ขันห้าแต่ละประการนั้นเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจะมีอัตตาเล่าอาริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อรู้ชัดดังนั้นย่อมเบื่อหน่ายคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นว่าด้วยพระอานนุน เรื่องเกิดขึ้นที่อารามในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนนเข้าเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธความดับแห่งธรรมะเหล่าไหนพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์รูปไม่เทียง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 และวิญญาณแต่ละประการนั้นไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเราเรียกว่านิโรธ ภารวัตหมวดว่าด้วยภาระเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องการวางภาระแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภาระเป็นอย่างไรคือกวนกล่าวได้ว่าภาระนั้นได้แก่อุปทานขันธ์คือกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น ห้าประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือรูปูปาทานนักขันอุปาทานนักขันคือรูปเวทนาูปาทานนักขันสัญญูปาทานนักขันสังขารูปาทานนักขันวิญญาณูปาทานนักขันนี้เรียกว่าภาระผู้แบบภาระเป็นอย่างไร คือควรกล่าวได้ว่าผู้แบกภาระนั้นได้แก่บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้มีโครอย่างนี้นี้เรียกว่าผู้แบกภาระการถือภาระเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทมให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ กามตัณหาความทะยานอยากในกามภพะวตัญหาความทะยานอยากในภ พ, พวิภวะตัณหาความทะยานอยากในวิภพนี้เรียกว่าการถือภาระการวางภาระเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราค ะ, คว า, ะความสละความสละกคืน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 บุคคลวางภาระหนักได้แล้วไม่ถือภาระอื่นไว้ถอนตันหาพร้อมทั้งรากสิ้นความอยากดับสนิทแล้วว่าด้วยการกำหนดรู้ธรรมะที่กวนกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปที่เป็นธรรมะที่กวนกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขาร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 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาว์วถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละรูปเป็นผู้ไม่กวนเพื่อความสิ้นทุกข์และโดยในยะเดียวกันบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละเวทนาไม่ละสัญญาไม่ละสังขารไม่ละวิญญาณ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละรูปได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกบุคคลเมื่อรู้ยิ่งในที่นี้หมายถึงยาตะบาริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักกำหนดรู้ในที่นี้หมายถึงติรนะบริญญา กำหนดรู้ขั้นพิจารณาคลายกำนัดในที่นี้หมายถึงปหาณาปริญญากำหนดรู้ขั้นละและโดยในยะเดียวกันบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำนัดละเวทนาสัญญาสังขารละวิญญาณได้บุคคลนั้นเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจักละรูปนั้นได้เด็ดขาดตัดรากอ่อนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากอ่อนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ ด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจากละขันห้าแต่ละประการ น, นั้นได้เด็ดขาดตัดรากถ อ, อนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถ อ, อนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าด้วยคุณของขันภิกษุทั้งหลาย เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนาเป็นคุณเป็นโทษเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปจากเวทนาจากสัญญาสังขารและวิญญาณเรานั้นได้มีความคิดต่อไปดังนี้ว่าสภาพที่สุโสมนัตอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูป สภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมะเป็นที่กาจัดชันทราคะธรรมะเป็นที่ละชันทราคะในรูปคือนิพพานนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูปสภาพที่สุคสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้น อาศัยสัญญาสังขารอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของขันธ์ห้าแต่ละประการนั้นสภาพที่แต่ละประการนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโอทของขันธ์ห้าแต่ละประการนั้นธรรมะเป็นที่กําจัดชั้นธราคะธรรมะเป็นที่ละชันธราคะในเวทนาสัญญาสังขาร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 ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกปรมโลกในหมูส่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวีมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบไม่ไม่มีอีก ภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณของรูปได้พบคุณของรูปแล้วคุณของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้สแสวงหาโทษของรูปได้พบโทษของรูปแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญา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 จึงได้พบคุณของขันห้าแต่ละประการนั้นแล้วเราได้เห็นโทษของขันห้าแต่ละประการนั้นแล้วด้วยปัญญาได้พบเครื่องสลัดออกจากขันห้าแต่ละประการนั้นแล้วโทษมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาตราบใดเรายังไม่รู้ชัดอุ่นไม่รู้ชัดโทษไม่รู้ชัดเครื่องสลัดออก จากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ ย, ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบแต่เมื่อใดเรารู้ชัดกุณโทษเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบ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 สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจถ้าโทษของสิ่งเหล่านี้ไม่มีสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบือ่อนายถ้าเครื่องสลัดออกไม่มีสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกแต่เพราะเครื่องสลัดออกมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากอุปท า, านขันห้านั้นภิกษุทั้งหลาย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 มาราโลกพร ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปท า, านขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปหลุดไปพ้นไป มีใจปราศจากแดนอยู่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกรมลโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าด้วยความเพลิดเพลินในขันห้าพระผู้มีพระภาตรัสวา่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เพลิดเพลินรูป ชื่อว่าเพล player, omma, ิดเพลินทุกผู้ที่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกขไม่ได้และโดยในยะเดียวกันผู้ที่เพลิดเพลินเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าเพลิดเพลินทุกผู้ที่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกขไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้ที่ไม่เพลิดเพลินรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันห้าประการนั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ที่ไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ได้ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 นี้เ ป, เ, เป็นควา ม, <t aps> วามเกิดแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะส่วนความดับความสงบระงับ <t aps> ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ ว่าด้วยมูลเหตุแห่งทุกข์ทุกข์เป็นอย่างไรคือทุกข์คือรูปทุกข์คือเวทนาทุกข์คือสัญญาทุกข์คือสังขารและทุกข์คือวิญญาณ น, นี้เรียกว่าทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหานั่นทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตทันหาภวะันหาวิภาวตันห า, หานี้เรียกว่ามูลเหตุแห่งทุกข์ว่าด้วยสิ่งที่แตกสลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องสิ่งที่แตกสลายและสิ่งที่ไม่แตกสลาย แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้อะไรเล่าเป็นสิ่งที่แตกสลายและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายคือรูปจัดเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนั้นจัดเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายและโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จัดเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นจัดเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลาย